พระไตรปิดกเล่มที่11พระสูตรที่8สิงคาลกกสูตรสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณนะพระเวรุวันครั้นในเวลาเช้าเสด็จเข้าไปยังกรุงราชพฤก์เพื่อบินธบาตได้ทอดพระเนตรเห็นสิงคาละกะษัตขาหะบดีบุตรผู้ลุกขึ้นแต่เช้าออกจากกรุงราชคฤก์มีผ้าเปียกมีผมเปียกประคองอัญชลีไหว้ทิศทั้งหลาย ได้ตรัสถามสิงาละกะขหาบดีบุตรว่าทำเช่นนี้เพราะเหตุไรสิงาละกะขหาบดีบุตรกราบทูลว่าทำตามคำสั่งของพ่อที่สั่งเสียไว้ก่อนตายด้วยความเคารพพ่อจึงทำตามคำสั่งนั้นพระผู้มีพระภาคตรัสกับขหาบดีบุตรว่าในอริยวินัยคือธรรมเนียมแบบแผนของพระอริยะเขาไม่ไหวทิฐหกกันอย่างนี้ สิงคาละกะจึงทูลถามว่าต้องทำอย่างไรจึงชื่อว่าเป็นการไหว้ทิศหกในอริยวินัยนั้นพระผู้มีพระภาคตรัสว่าขหาบดีบุตรอริยสาวกละกรร ม, มกิเลสคือกรรมเครื่องเศร้าหมองสี่ประการได้แล้วไม่ทำบาปกรรมด้วยเหตุสี่ประการและไม่คล้องแวะอบายมุกหรือทางเสื่อมหประการแห่งโภคะทั้งหลาย อริยสาวกนั้นเป็นผู้ปราศจากบาปกรรม14ประการนี้แล้วชื่อว่าเป็นผู้ปิดป้องทิพยหในที่นี้หมายถึงปกปิดช่องว่างระหว่างตนกับบุคคลที่เกี่ยวข้องซึ่งเรียกว่าทิพยหปฏิบัติเพื่อครองโลกทั้งสองทำให้เกิดความยินดีทั้งโลกนี้และโลกหน้าหลังจัดตายแล้วย่อมไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์ กรรมกิเลสสี่ประการที่อริยาสาวกละได้แล้วคือหนึ่งปานาติบาทการฆ่าสองอธินนาทานการขโมยสกาเมสุ ม, มิชฌาจารการประพฤติผิดในกรรม 4. มุสาวาทพูดเท็จพระผู้มีพระภาคตรัสคถาประพันธ์ต่อไปอีกว่าการฆ่าสัตว์การลักทรัพย์ การล่งละเมิดพัญญาผู้อื่นและการพูดเท็จเรียกว่าเป็นกรรมมกิเลสบัณฑิตทั้งหลายไม่สันเสริญอริยสาวกไม่ทำบาปกรรมโดยเหตุ4ีประการอะไรบ้างคือปุตชนหนึ่งย่อมถึงชันทากติลำเอียงเพราะรักทำบาปกรรม 2. ย่อมถึงโทสาคติลำเอียงเพราะชังทำบาปกรรม สย่อมถึงโมหะคติลำเอียงเพระเาะข่าวทำบาปกรรมสย่อมถึงพยาคติลำเอียงเพราะกลัวทำบาปกรรมส่วนอริยส า, าวกย่อมไม่ถึงสันทาคติย่อมไม่ถึงโทสาคติย่อมไม่ถึงโมหะคติย่อมไม่ถึงพยาคติอริยส า, าวกย่อมไม่ทำบาปกรรมโดยเหตุสีประการนี้ คือลำเอียงเพราะรักเพราะชังเพราะขา่าเพราะกลัวทำบาปกรรมพระผู้มีพระภาคตรัสคถาประพันธ์ต่อไปอีกว่าบุคคลใดละเมิดความชอบธรรมเพราะฉันทาคติโทสาคติโมหคติพยาคติยศของบุคคลนั้นย่อมเสื่อมเหมือนดวงจันทร์ข้างแรมฉะนั้นบุคคลใดไม่ละเมิดความชอบธรรมเพราะฉันทาคติโทสาคติ โมหาคติพยาคติยศของบุคคลนั้นย่อมเจริญเหมือนดวงจันทร์ข้างขึ้นฉะนั้นอริยสาวกไม่ค้องแวะอบายมุขหกประการแห่งโภคะทั้งหลายคือหนึ่งการหมกมุ่นในการเสพของมึนเมาคือสุราและเมรยัยอันเป็นเหตุแห่งความประมาทสอง การหมกมุ่นในการเที่ยวไปตามตรอกซอกซอยในเวลากลางคืน 3. การเที่ยวดูมหรศพ 4. การหมกมุ่นในการเล่นการพนันอันเป็นเหตุแห่งความประมาท 5. าการหมกมุ่นในการคบคนชั่วเป็นมิตร 6. การหมกมุ่นในความเกียดคร้านโทษแห่งสุราเมรัย6ประการ ขหาบดีบุตรการหมกมุ่นในการเสพของมึนเมาคือสุราและเมรัยอันเป็นเหตุแห่งความประมาทมีโทษ6ประการนี้คือ 1. เสียทรัพทันตาเห็น 2. ก่อการทะเลาะวิวาท 3. เป็นบอ่อเกิดแห่งโรค 4. เป็นเหตุให้เสียชื่อเสียง 5. เป็นเหตุให้ไม่รู้จักอาย 6. เป็นเหตุทอนกำลังปัญญาโทษแห่งการเที่ยวกลางคืน6ประการก้าบดีบุตรการหมกมุ่นในการเที่ยวไปตามตรอกซอกซอยในเวลากลางคืนมีโทษ6ประการนี้คือ 1. ชื่อว่าไม่คุ้มครองไม่รักษาตน 2. ชื่อว่าไม่คุ้มครองไม่รักษาบุตรปัญญา 3. ชื่อว่าไม่คุ้มครองไม่รักษาทรัพสมบัติ 4. เป็นที่สงสัยของคนอื่นด้วยเหตุต่างๆหมายถึงถูกสงสัยว่าเป็นผู้ทำกรรมชั่วทั้งที่ไม่มีส่วนในกรรชั่วนั้น 5. มักถูกใส่ร้ายด้วยเรื่องไม่เป็นจริง 6. ททำให้เกิดความลำบากมากมายหลายอย่างการเที่ยวดูมหรสพมีโทษ6ประการนี้คือ มีการรำที่ไหนไปที่นั่นมีการขับร้องที่ไหนไปที่นั่นมีการประโคมที่ไหนไปที่นั่นมีเสภาที่ไหนไปที่นั่นมีการบรรเลงที่ไหนไปที่นั่นมีเถิดเทิงที่ไหนไปที่นั่นขาหาบดีบุตรการหมกมุนในการเล่นการพนันอันเป็นเหตุแห่งความประมาทมีโทษหประการนี้คือหนึ่งผู้ชนะย่อมก่อเวรสอง ผู้แพ้ย่อมเสียดายทรัพย์ที่เสียไป 3. เสียทรัพย์ทันตาเห็น 4. ถ้อยคําที่เป็นพยานในศารก็เชื่อถือไม่ได้ 5. ถูกมิตรอมบาตดูมินมิตรในที่นี้หมายถึงคนที่สามารถใช้สอยสิ่งของในบ้านเรือนของกันและกันได้อมบาตในที่นี้หมายถึงเพื่อนร่วมงานมิตรอมบาตเป็นจำนวนที่แปลความได้ดังกล่าว ไม่ใช่หมายถึงอำมาตที่เป็นข้าราชการนะครับ 6. ไม่มีใกรประสงค์จะแต่งงานด้วยเพราะเห็นว่าชายผู้นี้เป็นนักเลงการพนันไม่สามารถจะเลี้ยงดูพัญญาได้ขหาบดีบุตรการหมกมุ่นในการคบคนชั่วเป็นมิตรมีโทษหประการนี้คือ 1. เขามีนักเลงการพนันเป็นมิตรสหาย 2. เขามีนักเลงเจ้าชู้เป็นมิตรสหาย 3. เขามีนักเลงเล่าเป็นมิตรสหาย 4. เขามีคนหลอกลวงเป็นมิตรสหาย 5. เขามีคนโกงเป็นมิตรสหาย 6. เขามีโจรเป็นมิสหายขหบดีบุตรการหมกมุ่นในความเกลียดร้านมีโทษหประการนี้คือหนึ่ง มักอ้างว่าหนาวเกินไปแล้วไม่ทำงานสองมักอ้างว่าร้อนเกินไปแล้วไม่ทำงานสามมักอ้างว่าเวลาเย็นเกินไปแล้วไม่ทำงานสีมักอ้างว่าเวลายังเช้าเกินไปแล้วไม่ทำการงานห้ามักอ้างว่าหิวเกินไปแล้วไม่ทำการงานหกมักอ้างว่ากระหายเกินไป เราไม่ทําการงานเมื่อเขามากไปด้วยการอ้างเลสผัดเพียนการงานอยู่อย่างนี้โพคะที่ยังไม่เกิดก็ไม่เกิดขึ้นที่เกิดขึ้นแล้วก็ถึงความเสื่อมสิ้นไปพระผู้มีพระภาครัสคถาประพันธ์ต่อไปอีกว่าเพื่อนในโรงสุราก็มีเพื่อนดีแต่พูดก็มีเมื่อมีเรื่องเกิดขึ้นผู้ใดเป็นเพื่อนได้ผู้นั้นจัดว่าเป็นเพื่อนแท้ เหตุ6ประการนี้คือการนอนตื่นสายการเป็นชู้กับพัญยาผู้อื่นการผูกเวรความเป็นผู้ก่อแต่เรื่องเสียหายการ ม, มีมิรชั่วความตรหนีจัดย่อมทำลายบูรุษให้พินาศคนมีมิรชั่วมีเพื่อนชั่วมีมารยาทและความประพฤติชั่วย่อมเสื่อมจากโลกทั้งสองคือจากโลกนี้และจากโลกหน้า เหตุอุปการนี้คือนักเลงการพนันและนักเลงหญิงนักเลงสุราฟอนรำขับร้องนอนหลับในกลางวันเที่ยวกลางคืนการมีมิตรชัวและความตรนีจัดย่อมทําลายบุรุษให้พินาศผู้ใดเล่นการพนันดื่มสุราลวงละเมิดหญิงผู้เป็นที่รักเสมอด้วยชีวิตของผู้อื่นคบแต่คนเลวไม่คบหาคนเจริญผู้นั้น ย่อมเสื่อมดุดดวงจันทร์ข้างแรมฉะนั้นผู้ใดดืด่มสุราไร้ซัพย์ไม่ทำงานเลี้ยงชีพเป็นคนขี้เมาผู้นั้นจะจมลงสู่นี่เหมือนก้อนหินจมน้ำจะทำความมัวหมองให้แก่ตนทันทีคนชอบนอนหลับในกลางวันไม่ลุกขึ้นในกลางคืนเป็นนักเลงขี้เมาประจำไม่สามารถครองเรือนได้ ประโยชน์ทั้งหลายย่อมล่วงเลยหนุ่มสาวที่ละทิ้งการงานโดยอ้างว่าเวลานี้หนาวเกินไปเวลานี้ร้อนเกินไปเวลานี้เย็นเกินไปเป็นต้นส่วนผู้ใดทำหน้าที่ของบุรุษไม่ใส่ใจความหนาวความร้อนยิ่งไปกว่ายากผู้นั้นย่อมไม่เสื่อมจากความสุขข้าบดีบุตรคนสี่จำพวกนี้ เธอพึงทราบว่าไม่ใช่มิรแท้เป็นมิรเทียมคือคนที่ถือเอาแต่ประโยชน์จากผู้อื่นฝ่ายเดียวพึงทราบว่าไม่ใช่มิรแท้เป็นมิรเทียมคนดีแต่พูดคนพูดประจบคนที่เป็นเพื่อนชักนำในทางเสื่อมพึงทราบว่าไม่ใช่มิรแท้เป็นมิรเทียมขหาบดีบุตรคนที่ถือเอาแต่ประโยชน์จากผู้อื่นฝ่ายเดียว เธอพึงทราบว่าไม่ใช่มิตรแท้เป็นมิตรเทียมโดยเหตุสีประการคือเป็นผู้ถืออประโยชน์จากผู้อื่นฝ่ายเดียวเสียน้อยปรารถนาจะได้มากเมื่อตัวเองมีภัยจึงทำกิจของเพื่อนคบเพื่อนเพราะเห็นแก่ประโยชน์ขะหะบดีบุตรคนดีแต่พูดเธอพึงทราบว่าไม่ใช่มิตรแท้เป็นมิตรเทียม โดยเหตุสีประการคือกล่าวต้อนรับด้วยเรื่องที่เป็นอดีตไปแล้วกล่าวต้อนรับด้วยเรื่องที่ยังมาไม่ถึงสงเคราะห์ด้วยสิ่งที่หาประโยชน์ไม่ได้เมื่อมีกิจเกิดขึ้นเฉพาะหน้าก็แสดงความขัดข้องข้าหบดีบุตรคนพูดประจบเธอพึงทราบว่าไม่ใช่มิตรแท้เป็นมิตรเทียมโดยเหตุสีประการคือ เพื่อนทำชั่วก็คล้อยตามเพื่อนทำดีก็คล้อยตามสัรเสริญต่อหน้านินทารับหลังขหาบดีบุตรคนที่เป็นเพื่อนชักชวนไปในทางเสื่อมพึงทราบว่าไม่ใช่มิตรแท้เป็นมิตรเทียมโดยเหตุสีประการคือเป็นเพื่อนที่ชักชวนให้หมกมุ่นในการเสพของมึนเมาคือสุราและเมรยัยอันเป็นเหตุแห่งความประมาท เป็นเพื่อนที่ชักชวนให้หมกมุ่นในการเที่ยวไปตามตรอกซอกซอยในเวลากลางคืนเป็นเพื่อนเที่ยวดูการเล่นเป็นเพื่อนที่ชักชวนให้หมกมุ่นในการเล่นการพนันอันเป็นเหตุแห่งความประมาทพระผู้มีพระภาคตรัสคถาประพันธ์ต่อไปอีกว่าบุคคลที่ไม่ใช่มิตรแท้สีจำพวกนี้คือมิตรที่ถือเอาแต่ประโยชน์จากผู้อื่นอย่างเดียวมิตรดีแต่พูด มิตรพูดประจบมิตรชักนำในทางเสื่อมบัณฑิตรู้อย่างนี้แล้วพึงเว้นเสียให้ห่างไกลเหมือนคนเว้นทางมีภัยเฉพาะหน้าเสียชะนั้นข้าบดีบุตรคนสี่จำพวกนี้เธอพึงทราบว่าเป็นมิตรมีใจดีคือมิตรแท้คือมิตร ม, มีอุปการะมิตรร่วมสุขร่วมทุกข์ มิตรแนะนำประโยชน์มิตรมีความรับใคร่พึงทราบว่าเป็นมิตรมีใจดีขหาบดีบุตรมิตรมีอุปการะเธอพึงทราบว่าเป็นมิตรมีใจดีโดยเหตุี่ประการคือป้องกันเพื่อนผู้ประมาทแล้วป้องกันทรัพย์สมบัติของเพื่อนผู้ประมาทแล้วเมื่อมีภัยก็เป็นที่พึ่งพานักได้เมื่อมีกิจที่จำเป็นเกิดขึ้น ก็ช่วยพวกกระซับให้สองเท่าของทรัพย์ที่ต้องการในกิจนั้นขหาบดีมิตรร่วมสุขร่วมทุกข์เธอพึงทราบว่าเป็นมิตรมีใจดีโดยเหตุสี่ประการคือบอกความลับแก่เพื่อนปิดความลับของเพื่อนไม่ละทิ้งในยามอันตรายแม้ชีวิตก็อาจจะสละเพื่อประโยชน์ของเพื่อนได้ ข้บดีบุตรมิตรแนะนําประโยชน์เธอพึงทราบว่าเป็นมิตรมีใจดีโดยเหตุสี่ประการคือห้ามมิให้ทําความชั่วแนะนําให้ตั้งอยู่ในความดีให้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยฟังบอกทางสวรรค์ให้ขหาบดีบุตรมิตรมีความรักใคร่เธอพึงทราบว่าเป็นมิตรมีใจดีโดยเหตุสีประการคือ ไม่พอใจความเสื่อมของเพื่อนพอใจความเจริญของเพื่อนห้ามปราบคนที่นินทาเพื่อนสนับสนุนคนที่สรนเสริญเพื่อนพระผู้มีพระภาคตรัสคถาประพันธ์ต่อไปอีกว่าบุคคลที่เป็นมิตรมีใจดีสี่จำพวกนี้คือมิตรมีอุปการะมิตรร่วมสุขร่วมทุกข์มิตรแนะนําประโยชน์และมิตรมีความรักใคร่บัณฑิตรู้อย่างนี้แล้ว พึงเข้าไปคบหาด้วยความจริงใจเหมือนมารดาคบหาบุตรผู้เกิดแต่อกฉะนั้นบัณฑิตผู้สมบูรณ์ด้วยศีลย่อมสว่างโชดดังดวงไฟเมื่อบุคคลสะสมโภกษัพยอยู่ดังตัวพึ่งสร้างรังโภกษั พ, พของเขาก็ย่อมเพิ่มพูนขึ้นดุด จ, จอมปลวกที่ตัวปลวกก่อขึ้นฉะนั้นเขา้าฤหัตในตระกูลผู้สามารถ ครั้นรวบรวมภกอัพษ์ได้อย่างนี้แล้วพึงแบ่งภกอัพษ์ออกเป็นสี่ส่วนคือส่วนหนึ่งใช้สอยสองส่วนใช้ประกอบการงานส่วนที่สี่เก็บไว้ด้วยหมายใจว่าจะใช้ในยามีอันตรายจึงผูกมิดไว้ได้เรื่องชัที่สาปฏิชาานากันว่าด้วยการปิดป้องพิพย อริยาสาวกเป็นผู้ปิดป้องทิศหกเป็นอย่างไรขหาบดีบุตรเธอพึงทราบทิศหกนี้คือพึงทราบว่ามารดาบิดาเป็นทิศเบื้องหน้าอาจารย์เป็นทิศเบื้องขวาบุตรและพัญญาเป็นทิศเบื้องหลังมิตรสหายเป็นทิศเบื้องซ้ายทาตและกรรมกรเป็นทิศเบื้องล่างสมณพราหมณเป็นทิศเบื้องบนขหบดีบุตรบุตรพึงบำรุงมารดาบิดา ผู้เป็นทิศเบื้องหน้าโดยหน้าที่ห้าประการคือ 1. ท่านเลี้ยงเรามาเราจักเลี้ยงท่านตอบ 2. จักทากิจของท่าน 3. จักดำรงวงตระกูล 4. จักประพฤตินตนให้เหมาะสมที่จะเป็นทายาท 5. เมื่อท่านลงลับไปแล้วทำบุญอุทิศให้ท่านมารดาบิดาผู้เป็นทิศเบื้องหน้า บุดบำรุงโดยหน้าที่5ประการนี้แลยอมอนุเคราะห์บุรโดยหน้าที่5ประการคือ 1. ห้ามไม่ให้ทำความชั่ว 2. ให้ตั้งอยู่ในความดี 3. ให้ศึกษาศิละปะวิทยา 4. หาพันยาหรือสามีที่สมควรให้ 5. มอบทรัพสมบัติให้ในเวลาอันสมควรข้าบดีบุตร มารดาบิดาผู้เป็นทิศเบื้องหน้าบุรบำรุงโดยหน้าที่ห้าประการนี้แหลย่อมอนุเคราะห์บุรด้วยหน้าที่ห้าประการนี้ทิศเบื้องหน้านั้นเป็นอันชื่อว่ากุลบุตรได้ปิดป้องทำให้เกษมปลอดภัยแล้วด้วยประการชะนี้ข้าบดรีบุรสิทธพึงบำรุงอาจารย์ผู้เป็นทิศเบื้องขวาโดยหน้าที่ห้าประการคือ 1. ลุกขึ้นยืนรับ 2. เข้าไปคอยรับใช้ 3. เชื่อฟัง 4. ดูแลปรนิบัติ 5. เรียนศิลปะวิทยาโดยเคารพอาจารย์ผู้เป็นทิศเบื้องขวาสิทธิ์บำรุงด้วยหน้าที่5ประการนี้แหลยอมอนุเคราะห์สิทธิ์ด้วยหน้าที่5ประการคือ 1. แนะนำให้เป็นคนดี 2. ให้เรียนดี 3. บอกความรู้ในศิลปะวิทยาทุกอย่างด้วยดี 4. ยกย่องให้ปรากฏในมิตรสหาย 5. ทําทความป้องกันในทิศทั้งหลายข้าหบวีบุตรอาจารย์ผู้เป็นทิศเบื้องขวาสิทธิ์บำรุงด้วยหน้าที่ห้าประการนี้แหละย่อมอนุเคราะห์สิทธิ์ด้วยหน้าที่5ประการนี้ทิศเบื้องขวานั้นเป็นอันชื่อว่าสิทธิ์ได้ปิดป้อง ทำให้เกษมปลอดภัยแล้วด้วยประการชนนี้ข้าบดีบุตรสามีพึงบำรุงพัญญาผู้เป็นทิศเบื้องหลังโดยหน้าที่ห้าประการคือหนึ่งให้เกียรติยกย่องสองไม่ดูหมิ่นสไม่ประพฤตินอกใจ 4. มอบความเป็นใหญ่ให้หให้เครื่องแต่งตัว พัญญาผู้เป็นทิศเบื้องหลังสามีบำรุงด้วยหน้าที่ห้าประการนี้แหลย่อมอนุเคราะห์สามีด้วยหน้าที่ห้าประการคือ 1. จัดการงานดี 2. ส, สงเคราะห์คนข้างเคียงดี 3. ไม่ประพฤตินอกใจ 4. รักษาทรัพย์ที่สามีหามาให้ 5. ขยันไม่เกียจคร้านในกิจทั้งปวงข้าบดีบุตร พัญญาผู้เป็นทิศเบื้องหลังสามีบำรุงด้วยหน้าที่ห้าประการนี้แลย่อมอนุเคราะห์สามีด้วยหน้าที่ห้าประการนี้ทิศเบื้องหลังนั้นเป็นอันชื่อว่าสามีได้ปิดป้องทําให้เกษมปลอดภัยแล้วด้วยประการชนนี้ข้าบดีบุตรกุลบุตรพึงบำรุงมิตรสหายผู้เป็นทิศเบื้องซ้ายโดยหน้าที่ห้าประการคือหนึ่งการให้ การแบ่งปันสิ่งของให้ 2. กล่าววาจาเป็นที่รัก 3. ประพฤติตนให้เป็นประโยชน์ 4. ่วางตนสม่ำเสมอ 5. ไม่พูดจาหลอกลวงกันมิตรสหายผู้เป็นทิศเบื้องซ้ายกุลบุตรบำรุงโดยหน้าที่ห้าประการนี้แหลย่อมอนุเคราะห์กุลบุตรด้วยหน้าที่ห้าประการคือหนึ่งป้องกันมิตรผู้ประมาทแล้ว 2. ป้องกันทรัพย์ของมิตรผู้ประมาทแล้ว 3. เมื่อมีภัยก็เป็นที่พึ่งพานักได้ 4. ไม่ละทิ้งในยามอันตราย 5. นับถือตลอดถึงวงตระกูลของมิตรข้าหาบดีบุตรมิตรผู้เป็นทิศเบื้องซ้ายคุลระบุตรบำรุงด้วยหน้าที่ห้าประการนี้แลยอมอนุเคราะห์อุลระบุตรด้วยหน้าที่5ประการนี้ทิศเบื้องซ้ายนั้น เป็นอันชื่อว่ากุลบุตรได้ปิดป้องทำให้เกษมปลอดภัยแล้วด้วยประการชนี้ข้าบดีบุตรนายพึงบำรุงทาตกรรมกรผู้เป็นทิศเบื้องต่ำโดยหน้าที่ห้าประการคือ 1. จัดการงานให้ทำตามสมควรแก่กำลัง 2. ให้อาหารและค่าจ้าง 3. ดูแลรักษายามเจ็บป่วย 4. ให้อาหารมีรสแปลก 5. ให้หยุดงานตามโอกาสทาดกรรมกรผู้เป็นทิศเบื้องต่ำนายบำรุงด้วยหน้าที่5ประการนี้แลยอมอนุเคราะห์นายด้วยหน้าที่5ประการคือ 1. ตื่นขึ้นทำงานก่อนนาย 2. เลิกงานเข้านอนทีหลังนาย 3. ถือเอาแต่ของที่นายให้ 4. ทํทำงานให้ดีขึ้น หานำคุณของนายไปสรนเสริญข้าบดีบุตรทาดกรรมกรผู้เป็นทิศเบื้องต่ำนายบำรุงด้วยหน้าที่ห้าประการนี้แลย่อมอนุเคราะห์นายโดยหน้าที่ห้าประการนี้ทิศเบื้องต่ำนั้นเป็นอันชื่อว่านายได้ปิดป้องทำให้เกษมปลอดภัยแล้วด้วยประการชนนี้ข้าบดีบุตร คุละบุตรพึงบำรุงสมณพราหมณ์ผู้เป็นทิศเบื้องบนโดยหน้าที่5ประการคือ 1. จะทําสิ่งใดก็ทําด้วยเมตตา 2. จะพูดสิ่งใดก็พูดด้วยเมตตา 3. จะคิดสิ่งใดก็คิดด้วยเมตตา 4. เปิดประตูต้อนรับ 5. ถวายปัจจัยเครื่องอยังชีพสมณพราหมณผู้เป็นทิศเบื้องบน คุณบุตรบำรุงโดยหน้าที่5ประการนี้แลย่อมอนุเคราะห์คุณบุตรด้วยหน้าที่6ประการคือ 1. ห้ามไม่ให้ทำความชั่ว 2. ให้ตั้งอยู่ในความดี 3. อนุเคราะห์ด้วยน้ำใจอันดีงาม 4. ให้ได้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยฟัง 5. อธิบายสิ่งที่เคยฟังแล้วให้เข้าใจจำแจ้งห้าบดีบุตรสมณพราหมณ์ผู้เป็นทิศเบื้องบน กุลบุตรบำรุงโดยหน้าที่ห้าประการนี้แลยอมอนุเคราะห์กุลบุตรโดยหน้าที่หกประการนี้ทิศเบื้องบนนั้นเป็นอันชื่อว่ากุลบุตรได้ปิดป้องทำให้เกษมปลอดภัยแล้วด้วยประการชนนี้พระผู้มีพระภาคตรัสคถาประพันธ์ต่อไปอีกว่ามารดาบิดาเป็นทิศเบื้องหน้าอาจารย์เป็นทิศเบื้องขวาบุตรภัญยาเป็นทิศเบื้องหลัง มิศหายเป็นทิศเบื้องซ้ายธาตุกรรมกรเป็นทิศเบื้องล่างสมณพราหมณ์เป็นทิศเบื้องบนเขาเรือหัดในตระกูลผู้มีความสามารถพึงไ่าทิศเหล่านี้ความสามารถในที่นี้หมายถึงผู้มีความสามารถที่จะครองเรือนคือเลี้ยงดูบุตรและพันยาให้เป็นสุขได้บัณฑิตผู้สมบูรณ์ด้วยศีลเป็นคนละเอียดและมีไหวพริบ ในที่นี้หมายถึงมีความเฉลียวฉลาดในการไหว้ทิศคือเข้าใจความหมายของการไหว่อย่างถูกต้องมีความประพฤติเจียมตนไม่แข็งกระด้างเช่นนั้นย่อมได้ยศคนขยันไม่เกียจคร้านยอมไม่หวั่นไหวในอันตรายทั้งหลายคนมีความประพฤติไม่ขาดตอนคือประพฤติต่อเนื่องกันไปไม่ขาดสายมีปัญญาเช่นนั้นยอมได้ยศ คนชอบสงเคราะห์ชอบสร้างไมตรีรู้เรื่องที่เขาบอกหมายถึงรู้เรื่องที่บุพการีสั่งไว้และปฏิบัติ ต, ตามนั้นปราศจากความตรณีเป็นผู้ชอบแนะนำชี้แจงแสดงเหตุผลเช่นนั้นย่อมได้ยศทานคือการให้ปยวัชชะวาจาเป็นที่รักอัจจริยาการประพฤติประโยชน์ในโลกนี้ และสมานาตาการวางตนสม่ำเสมอในธรรมะนั้นๆตามสมควรสังฆะธรรมเหล่านี้แหลช่วยอุ้มชูโลกเหมือนลิ่มสลักเปล่าคุมรถที่แล่นไปไว้ได้ฉะนั้นถ้าไม่มีสังฆะธรรมเหล่านี้มารดาวหรือบิดาก็ไม่พึงได้การนับถือหรือการบูรชาพราะบุตรเป็นเหตุแต่เพราะบัณฑิต หลงเห็นความสำคัญของสังหะธรรมเหล่านี้ฉะนั้นบัณฑิตเหล่านี้จึงถึงความเป็นใหญ่และเป็นผู้น่าสรรเสริญเมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้แล้วสิงาละกะฆะบดีบุตรได้กราบคุณสรรเสริญพระภาสิทธ์แสดงตนเป็นอุบาสกถึงพระรัตนตรัยตลอดชีวิตจบสิงาลกะสูตร